ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งวันที่ตรงกับวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนกันยายนพศสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดก็ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่ก็ไม่ได้พูดธรรมะมาเดือนกว่าเพราะว่าผู้พูดนี้ ไม่มีแรงแต่ว่าช่วงนี้ก็พอจะมีแรงขึ้นบ้างืาง่อกีมันก็ฝืนนะฝืนความรู้สึกเองฝืนอาการทางร่างกายของตัวเองบ้างนิดหน่อยราะวาในช่วงที่ไม่ได้พูดธรรมะเนี่ยมันรู้สึกว่าชีวิตเรานี่มันมันค่อนข้างจะแห้งแล้งไปหน่อย พ้าเวลาพูดธรรมะแล้วจิตใจเราเบิกบานชุ่มชื่นสนุกไปกันธรรมะแม้จะสั้นๆช่วงเวลาสี่หรือห้านาทีนี่ก็ถือว่าทำให้ใจมันเบิกบานได้โดยเฉพาะว่าการได้ทำประโยชน์เนี่ยโดยที่ไม่หวังผลอะไรมันก็ทำให้เรามีความสุข ในการทำหน้าที่ในแต่ละวันเวลาเราได้พูดธรรมะไม่ทราบว่าพลังมันมาจากไหนเราจะมีพลังท้านั้นจิตใจขึ้นมาเพราะว่ามันเกิดอาการที่เรียกว่ากล้าหาญกล้าเผชิญหน้านกับปัญหาตา่างๆกับโรคภัยไข้เจ็บที่เรากลาลังเป็นอยู่ มันรู้สึกว่ามีความกล้าหาญชาญใหญ่ที่จะเผชิญห้าปัญหาเหล่านี้เ น, นี่ยเป็นประโยชน์ของการได้ทำประโยชน์โดยเฉาะเรื่องการผู้ธรรมะเ่งเราก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเพียงแต่ว่าเราใช้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาแบ่งปันให้กับญาติธรรมก็คิดว่าจะ ใช้เวลาพูดได้ไม่นานเอาแต่เนื้อหาจริงๆสรุปแล้วก็คือการที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขเนี่ยเราต้องรู้จักที่จะทำประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องหวังผลกับสิ่งที่เราทำหรือกับเสียงต่างๆที่อยู่รอบเรา เราทำป็นสิ่งที่ดีสุดแล้วเราควรอย่าพอใจส่วนผลตอบแทนมันจะเป็นยังไงนั้นเราอย่าไปคํานึงถึงถ้าไปคํำนึงถึงเมื่อไหร่เราก็ชีวิตเราก็จะไม่มีความสุขฉะนั้นถ้าเราในแต่ละวันเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งควรจะมีโอกาสได้ทำประโยชน์ก็ควรจะทําแม้แต่ประโยชน์เล็กน้อย มันก็ช่วยหล่อเลี้ยงให้จิตใจเราเนี่ยเกิดปีติเกิดความเบิกบานใจมีความกล้าหาญนะที่จะไปชิญหน้ากับปัญหาต่างๆปัญหาต่างๆ ก, ก็กลายเป็นเรื่องเล็กไปนั่นเองการพูดธรรมะในแต่ละวั น, นแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความหมายกับจิตใจผมมากทําไมชีวิตเนี่ยมันมีชีวาเพื่อมีความกะตอรอล้น ที่จะเริ่มเตินชีวิตต่อไปในแต่ละวันแม้จะเหลือเวลาแค่วันหนึ่งขึ้นหนึ่งที่เราตั้งเอาไว้ก็ตามก็วันนี้ก็ เ, าเอาเป็นสั้นๆเป็นแค่นี้นะ